จิตอันราคะไม่สมทราบ พ, พระพุทธภาษิตอนวัตทิตตจิตตัสสะสัทธธรรมังอวิชานโตปลิบละวภาษาทัศปัญญาณะปริปุรติอนวัตสุตจิตตัสสะอนันวาหะตะเจตโสปุญญาปาปะ ภินัสสะนติสาคารโตพยังความว่าปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้ละบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่อ อธิบายปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงคอนแพนอยู่เสมอเป็นคนจับจดทำอะไรไม่จริงคนที่ทำอะไรไม่จริงก็เพราะจิตไม่มั่นคงนั่นเองในอัตถกถาท่านกล่าวหนักไปทางธรรมว่าวงเล็บเหมือนฟักเขียวตั้งไว้บนหลังมากอกปิ้งยู บางคราวเป็นสาวกบางคราวเป็นอาชีวกบางคราวเป็นนิครณและบางครั้งเป็นดาบทเอาแน่นอนอะไรไม่ได้บวชก็ไม่ได้เป็นพระจริงเป็นฆลขัดก็ไม่ประกอบด้วยธรรมของคลหัดเพราะจิตมัวกับกรอกอยู่นั่นเองจะทำความดีก็ไม่แน่ใจว่าความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ร่วมไปโดยปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทาอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน จะศึกษาเล่าเรียนก็หลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปัจจียธรรมสามสิประการมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นโพธิปัจจียธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู้คือผู้ที่จะตัดสรู้ต้องอาศัยธรรมนี้ไปมองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่า ผู้ไม่รู้พระสัตธรรมนั้นคือไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมใสเลื่อนลอยนั้นท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาคลอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเหตุอัทนทำให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่สองที่ว่าภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิต อันราคะไม่สืมทราบนั้นจะอธิบายต่อไปราคะนั้นคือความกำนัดพอใจในสิ่งสวยงามโดยทั่วไปหมายถึงความกำนังในการซึ่งเรียกว่าการวาราคะหรือความใคร่ในการสื่อพันในการประกอบเมถุนกรรมโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมสืมทราบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่า คนกระหายน้าเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน่าดืม่มย่อมแสดงอาการอยากดืม่มเช่นมองอย่างต้องการถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดืม่มดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่ไม่กระหายน้าไม่มีความรู้สึกกระหายนซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ำก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มฉันใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นเมื่อเห็นวิสภาคารม สมมติว่าเพศตรงกันข้ามย่อมแสดงความกระหายออกมาหากกระหายจัดย่อมจะหาทางบำบัดความกระหายนั้นโดยวิธีใดโดยวิธีหนึ่งเพราะแรงกระตุ้นภายในคือความกระหายขึ้นอยู่ในระดับสูงเหมือนคนกระหายน้ำจนไม่อาจยับยั้งได้ต่อไปแม่น้ำขุ่นและโสตโผลกเขาพยายามจะดื่มเพราะเหตุที่จิตใจปกติ คนธรรมดาสามัญชุ่มคือซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี่เองท่านจะสังเกตว่าคนหนุ่มคนสามเมื่อพูดถึงเพศตรงข้ามอานเป็นที่ตั้งแห่งราคะของตนก็มักพูดกันได้ยืดยาวไม่รู้เบื่อหน่ายคุยเรื่องอะไรอะไรอื่นมา ก, ก่อนในที่สุดก็มักจะเวียนวกมาหาเรื่องที่จิตซึมซาบอยู่คือเรื่องระหว่างเพศอันเป็นที่เกิดที่ตั้งอยู่แห่งราคะ คนเมื่อยังมีราคะก็ยังมีความกลัวกลัวไปสารพัดอย่างแต่พอราคะลดลงความกลัวก็พลอยลดลงด้วยดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคาเหิดแห้งความกลัวก็พลอยหายไปด้วยในโลกสมัยใหม่กิจกรรมบำบลุงบำเรอราคะและการค้าอันเป็นไปในท่วงทํานองส่งเสริมนั้นมีมากมายสุจริตนาได้ กิจกรรมและการค้าเหล่านั้นดาเนินไปด้วยกำไรอันงามเพราะไปจะทาสิ่งที่ถูกใจคนส่วนมากเข้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเราก็ต้องการตอบสนองเช่นเมื่อหิวก็บริโภคคาอาหารกระหายก็ดื่มเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดับความกระวนกระวายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการของคนทั่วไปเป็นดังนี้ แต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคือการดับความกระหายเสียเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องสนองหรือหาทางบำบัดกัน บ, บ่อยๆอันเป็นเรื่องสำซากและเจืออยู่ด้วยทุกนาน า, นาประการพระพุทธเจ้าจึงทรงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมหะคนบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติ คนไม่มีราคะก็สามารถทําได้และทําได้ดีกว่าคนมีราคะเสียอีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้เควจิตใจสงบแน่ๆอยู่ในการบำเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็โยงไปถึงข้อว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้ว ทำบ้าผู้ลับบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คนธรรมดายังต้องทำบุญบ้างบาปบ้างเพราะจิตเราแม้บางคนจะไม่ต้องการทำบาปแต่ต้องทำลงไปเพราะสู้แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วยย้าภายนอกไม่ไหวเมื่อทำความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อธรรมว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาภิสังขาร คือสภาพอย่างหนึ่งอปรุงแต่งจิตให้ทาความดีบ้างทําความชั่วบ้างในการทําการผู้ต่างๆนั้นคนสามารถมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปเพ่ให้เกิดผลแก่คนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวแต่พระอรหันต์ท่านมีบุญเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องการบุญอีกบาปนั้นท่านไม่ทาอย่างเดดขาด บุญท่านก็ไม่ต้องการอีกแล้วบาปท่านก็ไม่ทําแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าผู้ละบุญและบาปได้จิตอันประกอบด้วยความกลัวไม่มีแก่ท่านผู้เช่นนั้นท่านเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลักเพราะกิเลสตื่นอยู่เป็นนิดด้วยธรรมความกลัวเป็นมารร้ายทําลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอรหรันต์ ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันทีมีแต่ความทุกข์ความกำหบลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาธรรมฝ่ายกุศลอันพระพุทธองค์ทรงสแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตบันคมการรู้แจ้งวัฏธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและ การละบุญบาปได้พุทธภาสิตนี้พระาศาสดาตรัสพระปรารบพระจิตตหัตผู้บวชบวชศึกศึกอยู่ถึงหกครั้งมีเรื่องย่อดังต่อไป น, นี้พระจิตตหัตจิตตหัตเป็นชาเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายเที่ยวหาโคอยู่ในป่า พบโคในเวลาเที่ยงแล้วตอนมันเข้าฝูงรู้สึกหิวจึงเข้าไปสู่วิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุแห่งหนึ่งด้วยหวางว่าจะได้อะไรกินบ้างพวกภิกษุเห็นเขาหิวมาจึงให้อาหารที่เหลือจากฉันเวลานั้นภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากเพราะราบสการะอาศัยพระบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วจึงถามพระว่าท่านผู้เจริญ วันนี้พระขุนเจ้าไปกิจนิมนต์มาหรือไม่เลยอุบาสกวันนี้ไม่มีกินนิมนต์กระผมเห็นมีอาหารเหลือเฟือมากวันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอพระตอบเขาฟังแล้วคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารประนีตยางที่เหลือจากพระในวันนี้เราจะเป็นกคระ่อหัดทำไมบวช ด, ดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิ ษ, ษุเมื่อบวชแล้ว ได้ตั้งใจปฏิบัติต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้ร่วมบรมจันร์ได้อาศัยลาบสการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนทวนขึ้นเวลานั้นพระจิตหัดเคยแต่งงานมาแล้วภรรยาก็ยังอยู่จึงคิดถึงภรรยาและสึกออกมาเมื่อไปทำงานหลังเข้าก็สู้พร้อมอีกจึงมาหาพระขอบวชพระก็บวชให้เขาบวชบวชสุสอยู่อย่างนี้ถึงหกครั้ง ขณะนั้นภรรยาของเขามีคันวันหนึ่งกลับจากทำงานในป่าวางเครื่องไถเครื่องใช้า ย, ยาอื่นเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะเอาผ้ากาสาวะไปบวชอีกบังเอิญได้เห็นภรรยานอนหลับอยู่ผ้านุ่งของเธอหลุดลุ่ยน้ำลายไหลออกจากปากกลนดังคลืดคลืดปากอ้าอาการนั้นปรากฏแก่จิตตะหัสเหมือนศพที่ขึ้นพองเขาคิดว่า สรีระนี้ไม่เที่ยงนอเป็นทุกหนอเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรีระนี้จึงต้องเสกออกมาหนึ่งเดือนเราจะออกบวชแล้วไม่กลับมาอีกเขาสวยผ้ากาสาวะได้เอาคาดภุมแล้วลงจากเรือนเดินก้มหน้าไปแม่ยายของเขาอยู่บนเรือนอันติดต่อ ก, กันเห็นอาการของจิตตหัดแล้วประหลาดใจจึงเข้าไปดูในเรือน เห็นลูกสาวนอนหลัำอยู่ด้วยอาการนั้นจึงปลุกให้ตื่นขึ้นตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชาติชั่วลูกสีทีเถิดผัวของเองไปแล้วมัวนอนคล่นอยู่นี่แหละคราวนี้เขาจะไม่กลับมาลูกในท้องของเองก็มีจะทําอย่างไรลูกสาวโกรธแม่เหมือนกันไล่ให้แม่ออกไปเสียพรางกล่าวว่าแม่ออกไปเสียเถอะเขาจะไปข้างไหนอีกสองสามวันก็กลับมาเองแหละ นายจิตหัตออกจากบ้านบนพึมพำไปด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขณะเดินไปนั่นเองได้บรรลุโสดาปัติผลเขาถึงวิหารก็ขอบวชแต่พระทั้งหลายเอื้อมระอากับการบวชของเขาเต็มทีแล้วจึงกล่าวว่าจิตหัตพวกเราบวชให้ท่านไม่ได้อีกแล้วความเป็นสมณะของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านบวชบวชสึกๆจนหัวเหมือนหินรับมีดแล้ว แต่จิตหัดก็เวววอนไม่ได้ท้อถอยว่าขอบวตอีกครั้งเดียวเท่านั้นขอให้อนุเคราะห์ด้วยเถิดในที่สุดพระก็บวชให้อีกนับเป็นครั้งที่7ในการบวตครั้งนี้เขามีความตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะไม่เึรอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์ภายในสองสามวันเท่านั้น ความที่เคยเป็นคนโรเลเมื่อถึงคราวจริงเข้าก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อนักดังนั้นเมื่อเห็นพระจิตตหัตต์บวชนานวันไปหน่อยเพื่อนริบกลด้วยกันจึงถามเชิญล้อเลียนว่าจิตตหัตต์ยังไม่ถึงวันสึกอีกหรือทำไมครั้งนี้ถึงซักษาอยู่เล่าพระจิตตหัตต์ตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่ปัจจุบันข้าพเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้ว ต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปอีกแล้วความเกี่ยวข้องนั้นพระจิตตหัดหมายถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตตหัดพูดอวดมักหวดผลจึงไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตตหัดปุถของเราไปไปมามาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระธรรมจิตยังไม่มั่นคง บัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอนัวัตทิตตจิตตสัตธรรมังอวิชชาณโตเป็นอาทิมีดยะดังได้พระนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้อยากนักกุลระบุพูดถึงพร้อมเพื่อปณิสัยแห่งพระอระหรันต เห็นป่านนี้กิเลสยังให้มัวหมองได้ทำให้ต้องบวชถึงเจครั้งศึกถึงหครั้งพระสรารดาเสด็จมาสดัปสฐา น, นแล้วตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของอยากนักหากิเลสเป็นตัวตนแล้วไซจกออักรวาลนี้ก็แค่ไปโครมบารโลกก็ต่างไปไม่พอบรรจุ ก, กิเลสได้เลย กิเลสนี้เองสามารถทาบุรุษอาชาในผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเราให้บัวหมองได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่าอื่นเราอาศัยเข้าฟ้างและลูกเดือยเพียงครึ่งธนานและจอบเอี้ยนอีกอันหนึ่งต้องบวดแล้วสึกถึงหกผลในการไรเล่าพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายจะฟังหรือพระเจ้าค่าถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจมฟัง พระศาสดาได้ตรัสเช่าเรื่องในอดีตของพระองค์ดังนี้ในอดีตการบรุุษผู้หนึ่งชื่อกุท ธ, ธาละบัณฑิตในกรุงพระราณสีบวชเป็นนักพร์ภายนอกพระพุทธศาสนาอาศัยอยู่ณหิมวันตะประเทศแปดเดือนพอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชืน้นเขาคิดว่าในเรือนของเรามีข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่างลคลึ่งนานและจอบเพี้ยน อีกอันหนึ่งเราพอทำการเพาะปลูกได้อย่าให้ข้าฟ่างและลูกเดือนต้องเสียไปเลยดังนี้แล้วสึกออกมาเพาะปลูกทำรั่วไว้เมื่อเมล็ดพืชแก่ก็เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทำพันธนานหนึ่งนอกนั้นใช้บริโภคแลแล้วได้ออกบวชอีก8เดือนเมื่อฤดูฝนมาถึงแผ่นดินชุ่มชื้นก็คิดอย่างนั้นอีกสึกอีกทาอยู่เช่นนี้เจครั้ง ในครั้งที่เจ็เกิดสังเวชสลดใจจึงคิดว่าเราควรทิ้งเข้าฟางลูกเดือยและจอบเฮี้ยนในที่ใดที่หนึ่งอันจะหามันไม่เจออีกเห็นว่าควรทิ้งในแม่น้าคงคาแต่ถ้าเห็นอยู่อาจจะลงงมเอาในการภายหน้าต้องทิ้งโดยวิธีที่จะไม่เห็นมันบัณดิตจอบเฮี้ยนเอาผ้าหอ่อเข้าฟางและลูกเดือยแล้วเอาพันเข้ากรบจบจับด้านจอบ เวียนเหนือศีรษะสามรอบแล้วหลับตาเวียนไปในแม่น้ำคงคาลืมตาขึ้นแล้วดูไม่เห็นที่ตกจึงเป็นเสียงดังขึ้นสองครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขณะนั้นพระเจ้าคงปราณาสีเสด็จกลับจากปราบปัจจันตชนบทให้ปลูกค่ายพักที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลงแม่น้ำเพื่อสมสนานพระวรากาย ทรงสดับเสียงนั้นไม่พอพระไทยเพราะว่าโดยปกติเสียงว่าชนะแล้วชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระไถยของพระราชาพระ อ, องค์เสด็จเข้าไปหาบุรุษนั้นตัดถามว่าเราทําการย่ำยีศัตรูมาเดียวนี้ด้วยเข้าใจว่าเราชนะแล้วท่านร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วหมายความว่าอะไรกุฏาละบัณฑิตทูลว่า พระองค์สรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะของพระองค์อาจกลับแพ้ได้ส่วนข้าพระองค์ชนะโจรภายในคือความโลภแล้วจะไม่กลับแพ้อีกการชนะโจรภายในคือความโลภดีกว่าการชนะโจรภายนอกดังนี้แล้วกล่าวคาถาย้ําว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นยังไม่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้อีกใช้ชนะนั้นดี ขณะนั้นเองท่านมองดูแม่น้ำคงคายักษ์ศิล์มีน้าเป็นอารมณ์คืออาโปกสิล์ให้เกิดขึ้นแล้วบรรลุขุนพิเศษแล้วลอยขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงเลื่อมใสขอบรรพชาพรทั้งไพรพลพระราชาอื่นๆในแคว้นใกล้เคียงทรงสะดับเรื่องราวแล้วเสด็จออกบวชตามถึงเจ็ดพระองค์พระาศาสดาตรัสในที่สุดว่าพิสุธิ์ทั้งหลาย กุฎาละบัณฑิตในการ น, นั้นคือเราในแบบ น, นี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของอยากนักอยังธรรมกถาสาทายสมันเตหิสันละเกตะปะปาติ กรติกใจเรื่องจิตนี่ก็สลับซับซ้อนในเดนนมันเป็นเรื่องที่รักษาได้ยากกับกอกกลอกรวมแล้้จวเชาโน่นเอานี่มันนิ่งไม่ได้แต่จิงแล้วจิตเป็นจิตที่ฝึกยากแต่จิตที่ฝึกยากนี่แหละถ้าฝึกได้แล้วมีอานิสงส์ใหญ่หลวง ยกเอานิทานมาเปรียบเทียบให้เข้าใจแต่ภานิสัยของผู้บรรลุธรรมเนี่ยครพูดกันยากเนละบางทีเราจะไปว่าเขาส่วนเดียวก็ไม่ได้แต่ในแง่ของการสร้างบารมีนี่ ม, นมันรู้กันได้ยากเหมือนกัน ครับงไร้คลาดก็น่าเบือบ่อมันกันน่นพระจนเบื่อไม่อยากบวชให้แต่วันนี้ไซค์ามีเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเนาะนก็มีเหมือนกันน่ามอถึงเวลาแล้วก็ง่ายง่ายขึ้นเอาดีๆนีบางทีอยู่ บ, บาศิการูร้ว่าละจิตยุงคิดโน่นคิดนี่ภาวนาคิดในปิสุ อยากได้อะไรเอามาให้หมดเลยบาสิกาเก่งก น, นู้นกันนี่แค่เรียนอาการ32มสิบสองะกรรมาฐานอาการ32แสดงว่าไม่ธรรมดานี่ยการจิตรวมตั้งมั่นเป็นหนึ่งจิตน้อมไปสู่วิปัสสนาคําว่าน้อมไปสู่วิปัสสนาคือน้อมไปสู่ความสิ้นความเสื่อเมเป็นความเกิดความดับ ของสรรสิ่งทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นชัดลงไปเห็นอริยสัคือความจริงอันประเสริฐสีเนี่ยตัดตัณหาราคาโทสะออกหรือราคาโทสะโมหะออกไปได้เนี่ยในระดับสัญญอน้วยได้ก็นั่นแหละคือการบรรลุธรรมเกิดขึ้น แต่สิ่งนี้ล้งพ่อชาท่านว่าอะไรท่านว่ามันมองไม่เห็นโทษมันโดยส่วนเดียวแล้วมันมันตัดไม่ได้มันเป็นเหตุให้โลเลลังเลจิตใจเกิดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจใก็อย่างที่ท่านว่าน่บางคนลังเลจนจะทำอะไรก็ไม่ทำเลยไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเปรียบกับพระเนี่ยจะเรียนจริงริงก็ไปเรียนจะปฏิบัติจริงจงก็ไม่ปฏิบัติ สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนโมก็จะไม่จบกรรมฐานจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นนั่นความโลเลก็คืออาการของจิตนั่นแหละท่านจึงอธิบายเรื่องจิตคือให้เราได้รู้ว่าจิตมันมีของกลับกอบเร็วต้องอาศัยการคมการฝึกก็คือการคมขมจิตคมใจทีว่า ข่มจิตข่มใจเอาไว้เนี่ยถ้าไม่ข่มมันไว้มันิ้มไปขนาดนั่งอยู่ต่อหน้าประชาชนท่นคิดพูนแต่งจนอไปซื้อแพะมาที่อินเดียมันแพะเยอะเนาะบอกไม่เห็นอย่างอื่นที่จะมาค้าขายซื้อแพะดีกว่าีมเอาผ้าซาดกนี่ยบางทิน่าคิดนะผ้าอะไรก็น้อยใจเป็นเงนินแค่ล้วงลุ่มไม่รับผ้าเท่านั้นก็น้อยใจคิดไปต่างๆนั่นน ะ, นะ ก็ความตั้งใจเนาะคงจะเป็นด้วยเหตุนี้พระอจ้าถึงส่งไดบัญญตัติข้อนหนึ่งว่าการรักษาน้ำใจรักษาศรัทธาไทยคือไม่ทำลายศรัทธานะถ้าไม่สนองศรัทธาบางทีก็เป็นอื่นไปการที่รักษาศรัทธาก็เผื่อว่าเผื่อว่าเมื่อเขาศรัทธาแล้วอาจจะเป็นเหตุให้เขาเนาะ ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้เนี่ยก็เลยรักษาน้ำใจไว้แต่ น, นี้วิสัยของพระเนี่ยไม่รู้จะรักษาน้ำใจทำไมน้องทับหนออนีวะยิ่งเป็นญาติกันด้วยเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเนะี่ยมันก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วทก็เป็นพระอานันต์แล้วด้วยแค่นี้น้อยใจฝึกแต่อำนาจจิตมันพุ่งถึงขนาดนน จนต้องพัดตีอุปชาเนี่ว่าภรรยาของตนนี่ก็โห ค, คิดว่าเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะทำไมถึงเชื่อนะอยู่ที่บ้านมันมีแต่ไม่ใช่ลักษณะนี้มันนอนอยู่ดีๆมันลุกขึ้นวิ่งเลยอะทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตื่นนะแต่กายมันวิ่งไปแล้ววิ่งกระโดดบันไดก็ไม่ลงแลกระโดดออกจากบ้านวิ่ง ก็าถามว่าไปไหนโอ๊ยไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามันตัวไอ้นั้นมันไล่ผมก็มันวิ่งหนีตัวอะไรไล่ไม่เห็นเลยนเห็นดูเห็นแต่ตัวตวิ่งไปยังไม่ได้ตื่นจากหลับเลยจิตมันขนาดนั้นเลยไปจับไปจับดึงเอาไว้จับแขนเอาไว้นยถึงได้สติขึ้นมาเมื่อกี้นี่ผมนอนอยู่ไม่เจอเลยอย่างนี้อันตรายเลยนั่นคือจิต จิตที่ไม่เคยฝึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าไม่เคยฝึกแล้วก็มันชอบไปตามอารมณ์ว่าไปตามลมมากๆก็มีอำนาจอำนาจเนือการควบคุมอำนาจเนื้อการบังคับนะสุดท้ายก็ไปแล้วเจอยายคนหนึ่งตอนนั้นไปจำพรกษาที่ทองพรนะพูประมาณสักบ่ายสี่โมงยนะนะแกก็ล้องลำตัดน้ำนะลุยน้ำลุยอะไรมาบุกนะ้านกะ็มนาะนะนะ พอดีเดินสำรวจพื้นที่อยู่เป็นที่พักสมใตก็เป็นวัดแล้วละได้ยินเสียงก็เลยไปตักอยู่ตรงหน้าเสียงมาเสียงมาล้แล้วก็ลุยมาหนามก็เยอะเลยไม่รู้แกลุยมาได้ยังไงเห็นมุ ด, ม, ดมุดมาเหมือนกับตัวสัตว์มันมุดป่าหญ้ามานะก็เลยไปดักอยู่ข้างหน้าพอมุดมาถึงตกใจ แกตกใจก็มากราบพระหนึ่งากราบพระเอ้ายายมายังไงนั่นสิแกบอกนั่นสิแ ก, กมายังไงแกบอกเออดูสเส้นจิตมันมันลุยมาจิตมันนี่คือมันปรุงแต่งเนยก็ปรุมแต่งมากๆนะากเนี่ยมันก็เลยไม่มีสิ่งยับยั้งขักข้ามมันก็เลยดึงไปถึงขนาะลืมลืมตัวถึงขนาดนั้นะอ แกก็อายๆเหมือนกันนี่แกก็รู้เห็นพระมันได้สตินี่ถึงว่าโอ้โหนี่สมัยพุทธกาลเวลาคนมันเสียสติมากๆเลยแต่ว่ามีบุญอยู่อย่างเรื่องนางปตาจรานี่ยนะแต่ว่าอยู่ในวิสัยของพระอตจารย์พอพระ อ, องค์เตือนนล้รู้สึกพอรู้สึกละลึกได้ทั้งหมดเลยโอ้นี่เรานี่ยลืมตัวจนกระทั่งว่าแม้ภาผ่อนไม่มีก็ไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยมันเป็นลึงขนาดนั้น ถามว่าจริงไหมลืมลืมชันผ้าผ่อนแม่สายจริงนี่ก็เจอที่วัดนี่แหละอยู่ฝังโนนน่แต่มันเป็นผู้ชายผู้ชายโยมกำลังสวดมนต์อยู่พอดีช่วงเช้านะพระก็พึ่งสันเสร็จนะมันเดินมาสวยเลยผ่านมาตรงข้างเลย้มโยมบวยไวโยมร้องพระเห็นมันรีบไปจับมันดึงเข้าไปดึงมันก็ยังไม่รู้สึกตัวนะ พอดึงไปกุติทางเบอร์สามมาเนี่ยกุติเบอร์สามพอดึงไปก็เตือนเหมือนนี่ดูผ้าไม่มีเลยพมตกใจตกใจเดินไม่เป็นเลยนั่งขดอย่างนี้ต้องหาผ้าไปให้มันหาผ้าไปให้เสร็จทำไมถึงเป็นโอ้มอมั น, ม, นมันเป็นภ า, าษาได้แต่มันก็มีสติแต่ตอนนั้นมันไปตามอารมณ์ไงตามอารงมาจะไม่รู้สึกตัวเลย เรื่องราวต่างๆมันมันมีปัญหาคนมีปัญหาส่นหนึ่งเกิดขึ้นกับคนมีปัญหาชีวิตการดำรงชีวิตมันคุกขักเป็นทุกมีปัญหาบริคิดมากคิดมากก็เลยลืมตัวเลยลืมตัวเป็นได้ถึงขนาดนี้พอได้สติแล้วพอดีนายยิ้มเอาข้าวเอาอะไรให้กินส่งกลับบ้านส่งกลับบ้าน ก็ดีเนกันเข้ามาวัดในแนะนำสอนธรรมะบางเนี่ย่เป็นขนาด น, นอีกคนหนึ่งก็เป็นภาคขาวเห็นไหมมีตัวอย่างเยอะนะเ่ตอนนั้นผมก็เพิ่งบวชไม่หลายพรรษาสองสามพรรษาแล้วเข้ามาเป็นภาคขาวอันนี้ก็มีครอบครัวเราเหมือนกันแต่ก็น่าจะมีปัญหาบ้างเหมือนกันออกมา ปรุงแต่งฟุ้งซ่านมากไปจนไม่รู้สึกตัวกันโนนไปต้องระวังมากบางทีไปไม่บอกไม่ลาเลยไปจนหากันไม่เจอตั้งหลายวันโน่นเดินจา ก, กับเพื่อเดือุดมนะมาถึงอุบลมาหนองประพงศ์แต่ยังไม่ถึงหนองประพรศ์มีคนก็แจ้งก่อนมาไปโผล่อยู่บ้านใกล้ๆฮะ ใกล้ๆน้องประภมเร็เรียกบ้านบุกพาพิวิตบาสเนะนี่ยไปตามทันตรงนั้นไปถามไปเลยถึงได้สติขึ้นมาดูสิอำนาจจิตใจมันขนาดนั้นมันพาไปได้หมดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยนี่ังว่าจิตนี่มันมันไวจิตถ้าไม่คุ้มครองไม่รักษาเนี่ยมันนำทุกข์มาให้มันพาสิทธิ์ตรั จิตตังุตัสุขาวะห่งจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ถ้าให้คุ้มครองจิตไม่รักษาจิตมันก็ไปอย่างนั้นะไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาสุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นทุกข์ดันนจึงให้ฝึกกรรมฐานไงกรรมฐานเป็นเครื่องระงับดับความคิด บางทีความคิดมันมากใช่ไหมลนะ่ะพิสุทธิว่านี่จริงๆก็มีสทาตั้งใจดีพอมาแล้วก็มีอาจารย์วินัยก็อาจารย์อภิธรรมหนักเหมือนกันนะอาจารย์หนักในวินัยนี่ก็จะชี้แต่เรื่องวินยัยคนไม่อยู่ปณิสัยทางด้านนี้ก็หาว่าจุกจิกตุกติกไปหมดอะไรก็ขัดรังไปหมด คือมองม่เห็นานิสงกนะ็ เ, เลยเป็นอุปสรรคไปหาอาจารย์อภิธรรมว่าโอ้โหเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องโน้นนี่เนี่ยโอ้โหจำยากอีก <c oughs> เข้าใจยากฟุ้งซ่านลำคาญก็ <c oughs> เ, เป็นเห็นได้จิตตกได้เหมือนกันมันไม่ใช่สาวบกวิสัยเนาะเป็นวิสัยของพุทธเจนะ้าแต่พุทธาาเจ้าก็ช่วยได้หมด พไปบอกก็บายนิดเดียวเท่านั้นนะจริงๆมันไม่ได้น่าั้นะแต่นิดเดียวเท่านั้นนะคือคนคิดมากนะคิดมากเวลาจะง่ายก็ง่ายนิดเดียวเหมือนกันเวลาคิดมากๆ <c oughs> เวลาจะง่ายมันให้รักษาสิ่งเดียวได้ไหมได้พระเจ้าค่ะก็รักษาจิตของเธอเนี่ยแหละรักษาจิตอย่าให้มันคิดคนเท่านั้นก็ได้เหมือนกันรนะ <c oughs> ักษานะอย่าให้มันคิดโ น, น่ น, นแสนโน่นแสนนี่ไปรักษา สุดท้ายก็เป็คนครักษาสิ่งเดียว่ถ้ารักษาจิตได้ก็เท่ากับรักษาวินัยทั้งหมดรักษาศีลทั้งหมดอยู่ในทั้งหมดคือรักษาจิตตัวเดียวนังคือทำบอกว่าศีลตัวเดียวการภาษาปฏิบัติเรียกว่าศีลตัวเดียวหรือศีลสองตัวมีหิริมีอตตปัตเท่านั้นแหละเป็นการรักษาศีล ต้องใช้เวลาจิตใจนี้ข้อสำคัญนั่ว่าอย่าเชื่อมันอย่าเชื่อมั น, นง่ยถ้าเชื่อมันก็โอ้โหดึงไปโ น, น่นเดินไปนี่สารพัดเนี่ยมันก็โลเลหลังเลนเะหมือนทิศไม่ออกซื้อละซื้อกลบไปแป๊เดียวอยากมาบวดอีกแล้วโอไม่ไหวละเอาไว้ก่อนดี๋ยคิดแต่ดีก่อนไอตอนอยากจะซื้อก็แย่สื้ พอสิ้ไปกลับมาปวดอีกดีกว่าด้วยเหตุนี้น่หละลมพะชาดังนั้นไม่บวดง่ายง่ายเพราะจิตมันไม่แน่นอนนะและพอไม่ได้ตามปรารถนาก็คิดไปอย่างนื่นพอได้ตามปรารถนาก็คิดไปอย่างหนึ่ ง, ง, หงเหมือนอยากบวดแตด่พอได้บวดเสร็จแล้วพอบวดเสร็จก็อยากสื้อย่างนี้จิตนี้มันต้องควบคุมต้อง ฝึกฝนอบรมมันจริงนะต้องอดต้องทนนี่ผมดูอาการจึกใากับตนเองนี่แหละนี่ศึกษาเห็นไหมพอท่านธรรมานพปุ๊บเนี่ยมาอยู่ท่านไม่บวชง่ายง่ายมันก็คิดมันก็เห็นความคิดทันทีนี่ิพุ่งคิดแต่งสารพัดนี่แต่อาศไซว่าเออมันตั้งใจแล้วมีสัตาแล้วนะ สุดท้ายมันก็ความคิดมันทำให้เกิดความรู้เนี่ยความรู้มันก็ให้สติเราเตือนเราเองเนี่ยเราไปคิดทำไมไม่ใช่หน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่ของเราจะมาอยู่ก็อยู่ที่หน้าที่หนึ่งก็หน้าที่ของท่านอันหนึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยจะไปเอาหน้าที่ของท่านมาทำทำไมมันเป็นเรื่องของท่านท่านดูท่านเสวนสมควรอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านจะต้องพิจารณาเราจะไปชินเราก่อนเนี่ยโอ้ยอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ มันก็อยู่ไม่ได้จริงๆถ้าก็จะอยู่ได้มันคุยเรือาจารย์แมวน้ำหวานเสือคนจะอยู่ได้เ น, น, น, น, นี่ยมันก็ทนจริงๆนะที่ท่านบอกว่าอยู่อิตาลีก็ดีอยู่ประเทศไหนก็ดีไปแล้วไม่ได้บวชง่ายๆนะต้องอยู่อยู่จนดูใจกันอยู่เป็นปีนะไม่สนใจเลยแต่เขาก็สู้จริงๆนะสูนั่นคือ แสดงถึงความศรัทธามีมากน้อยแค่ไหนทนได้ผ่านไปเนียว่าจบปริญญาตรีปีหนึ่งปีที่สองขึ้นปริญญาโทปีที่สามขึ้นปริญญาเอกเห็นไหมสามปีเลี้ยงในบวชนี่บวชสามปีก็จบปริญญาแล้วเห็นเดก็ผ่านการฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองเห็นอาการของจิตคิด คนที่ทนได้นีเขามีประสบการณ์นี่พอถึงเวลาเขาได้ได้แล้วก็จะเห็นเห็นอำนาจของความอดทนความต่อสู้ความพยายามของเขาเนี่ยแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งผลักดันเนี่ยให้เขาหนักแน่นมั่นคงเนี่ยนี่อะไรก็จะได้มาง่ายมันก็ทิ้งได้ง่ายๆเนาะเสียได้ง่ายๆเนี่ยสตางก็เหมือนกันได้มาง่ายก็ไม่เสียดาย มันคนได้มาจากการพนันนะใจใหญ่เนี่ยทุ่มไปจนต้องเป็นหนี่ต่อไปเลยแหละนี่เหมือนนั้นมันได้มาง่ายเนี่ยถ้าได้มายากนะมันรู้จักรักษานะจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะกว่าจะฝึกมันได้มันยากมันก็เสียดายนะมีความหนักแน่นนะนี่ก็เป็นเรื่องหมวดจิตเนะี่ย ว่จิตใจรู้สึกดีดีมากอถ้าเราจัข้ อ, อไปประกอบกับการปฏิบัติด้วยก็จะได้ประโยชน์มาเนะี่ยเพราะเป็นพุทธภาษิตเนะี่ยเป็นภาษิตที่พระองค์ทรงตัดโดยเฉพาะนะแต่สังเกตดูว่าเรื่องประกอบ ต, ต่างๆนี่งสาวัถีนี่เป็นเหมือนที่มีนิทานเยอะที่สุดนะที่พระองค์ยกขึ้นมา มีแต่ในเมืองสาวัติีทั้งนั้นแหละเนมะืองสาวัตีนี้เป็นสถานที่พระองค์ทรงชำระปัญหานานที่สุดจึงมีเรื่องราวมากที่สุดนะ25บัรษานะในเมืองสาวัตินี่ก็นานเหมือนกันแต่นะเรื่องต่างๆจึงเกิดขึ้นที่นั่นทำมาบทแทบทั้งหมดเลยเกิดขึ้นที่เมืองสาวัติ ภาษีลังกาท่านให้ความสัมพันธ์ต่อภาษีนี้ธรรมบทนี้ท่านจึงเอาปฏิธรรมตัวนี้ถ่ายทอดลงมาเป็นภาพไม่ลาเป็นภาพจิตกรรฟ้าผนังมีทุกเรื่องเรื่องในธรรมบทนี้ถ้าคนศึกษาธงหมบทไปดูก็จะภาพได้เห็นเรื่องราวแล้วก็ในภาษาพที